คนไม่ไหวเจอเธอก็เสร็จเธอแล้วคนยังฉันแพ้ความสดใสอยู่เธอชังอ่อนเยา ว, ไว์ไวเจอกับใครก็ห้ามใจไม่ไหวก็อยากจะหอมเธอสักครั้งแค่เพียงสักครั้งแต่ตัวฉัน คงทำไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรไม่อยากรอ ก, กูเยาไม่อาจบอกใครใครเข้าใจว่าฉันรักเธอแค่ เธอก็เสร็จเธอแล้วคนอย่างฉันแพ้ความสดใสดูเธอช่างอ่อนเยาว์ไวเธอกับใครก็ห้ามใจไม่ไหวก็อยากจะหอมเธอสักครั้งแค่เพียงสักครั้งแต่ตัวฉันคงทำไม่ได้ ยังไม่ถึงเวลา จะหอมเธอสักครั้งแค่เพียงสักครั้งแต่ตัวฉันคงทำไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรก็อยากจะหอมเธอสักครั้งแค่เพียงสักครั้งแต่ตัวฉันคงทำไม่ได้